ธรรมชาดกแผ่นที่12ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงทําในวันที่7ทธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเทวดาฆ่าช่างไม้สมชายสมชายมันร้องเห็นไหมฉันีหลวงพ่อ ตั้งซื่อวสุสมชัยนั่นแหะน ะ, น ะ, นะ <laughs> ชะนีตัวเดียวถ้ากว่าช่วงไหนมันจะหนาวน่ะมันคงจะหนาวนั่นแหะคงจะเตือนน <laughs> อั่อพวกเราอยู่ในวัดเตรียมพร้อมหน้าเตรียมผ้าห่มไว้นะจะหนาวนะหมันว่ากําลังบอกอ <laughs> ท <laughs> ูเตรียมเครื่องหนาวไว้นะ อ, อมันจะหนาวแล้วนะเดี๋ยวนี้นะอีกไม่นานจะหนาวนะลุงพ่อนะว่าว่ามันกํำลังร้องบอกแต่เรเวลาฝนจะตกมันก็บอกอีูเหมือนกันนะ อ, อบางทีแดดเปรี้ยงเ อ, อมันร้องพันธุ์ไม้จะนีเนี่ยวะโอ้พอตกเย็นๆแล้วนะน่ะเอยทั้งฝนทั้งลมมาขนาดหนักเลยเออมันก็ดีเหมือนกันนะอฝ้าจะฟ้าจะตก จะแดจะร้อนจะหนาวชนีชนีสมชายมันบอกบอกล่วงหน้านะอันนี้แสดงว่ามันจะหนาวแล้วเนยมันจะเข้าหนาวแล้วนี่ยปัจจุวันก่อนหน้านี้มันอากาศมัน <c oughs> อุ่นมาตลอดแต่วันนี้รู้สึกว่ามันร้องแต่เช้าเลยร้องมานานแล้วสงสัยมันจะอากาศมันคงจะเย็นลง วันนี้เป็นวันที่เจ็ดธันวาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานหลวงพ่อได้มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเป็นเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงของบริษัทอุลิมปัตแต่เป็นเครือขายของเยอรมันแต่ตัวผ่าตัด เป็นของของญี่ปุ่นกับเยอรมันเข้าหุ้นกันหลวงพ่อได้ถามเมื่อวานนี้เป็นเครื่องพาตัดด้วยความถี่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคอพอกหนระือว่าเรื่องพาตัดภายในทางช่องท้องถ้าเลือดเช่นเลือดใหญ่นี่ตัดเข้าไปเนี่ยเลือดจะไม่ออก จะประหยัดคนจะไม่ช้ามากหลวงพ่อเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนปีนี้ก็เลยซื้อให้ทั้งสามเครื่องนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานเครื่องแรกก็คือให้โรงพยาบาลศรีนครินทแต่โดยโดยมากหลวงพ่อซื้อเครื่องมือแพทย์จะซื้อให้โรงพยาบาลใหญ่จะไม่เน้นโรงพยาบาลอำเภอ รโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยยมากทีมแพทย์กลุ่มแพทย์คณะแพทย์ไม่พร้อมแพทย์ดมยาบ้างแพทย์กลุ่มผ่าตัดบ้างคนสองคนมันทำไม่ได้พอศึกษาดูแล้วมันต้องเป็นหลายคนที่ช่วยกันผ่าตัดใหญ่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้โรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างขนแกนศรีนคริน ชุมแพชุมแพก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะเทียบเทียบระดับจังหวัดเพราะนั้นหลวงพ่อให้ปีนี้ให้สามโรงพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินผ่าตัดด้วยความถี่สูงบริษัทเครื่องผ่าตัดของบริษัทอุลิมปัตนล้านเจ็ดแสนแล้วก็ให้โรงพยาบาลชุมแพ ของบริษัทจอร์นสันแอนด์แอนจอ์นสันไทยจำกัดอันนี้ล้านหกแสนแต่เมื่อวานนี้อีกให้โรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นล้านเจ็ดแสนเหมือนเท่าๆกันกับโรงพยาบาลศรีนครินแตส่สองโรงพยาบาลหลังเนี่ยคิดว่าจะจ่ายพร้อมกัน แต่สีนคกเรียจ่ายไปแล้วแจ้งข่าวหรือบอกกล่าวให้กับคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนได้ทราบผู้ที่มาเกี่ยวข้องที่วัดหลวงพ่อคือวัดของเราช่วยเหลือชุมชนสังคมแล้วก็ไม่ใช่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมนะวัดวาศาสนาสาขาของวัดของเราหรือว่าวัดไหนที่มีความจําเป็น ที่เราพิจารณาดูแล้วจําเป็นเราก็ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ตามที่ตามมีตามเกิดแต่คราวนี้หลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อได้ช่วยทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรก็คือสร้างตึกสำหรับให้คนไข้คนเยี่ยมไข่ตึกยกคนเยี่ยมไข้แล้วก็ ใช้แต่ตุจัยมากเพราะทุมควรอยู่แล้วก่อนเนี่ยปีนี้คิดว่าคงจะเพลาๆลงละทีนี่พอมันตัวเลขมันขึ้นสีแดงนะหลวงตามาหาบัวท่านบอกว่าเครื่องมันร้อนต้องพักไว้ก่อนฮะอันนี้ก่อนลักษณะอย่างนั้นหละแต่เราก็าทำตามกำลังความสามารถที่มันเป็นไปได้ ไม่ให้เดือดร้อนผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ให้เดือดร้อนลูกหลานไม่ให้ปว ด, ดร้อนผู้อยู่ที่เข้ามาอยู่ใกล้ทำเท่ า, เาที่จำเป็นที่จะทำได้อะไรที่แจ้งให้ข่าวหรือบอกกล่าวให้พวกเราได้ทราบนะครับเพื่อเพียงแต่ว่าวัดของเราได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติอะไรบ้าง เราเราจะบอกเป็นระยะระยะถ้าจะบอกเท่าความมาทั้งหมดคงคงจะใช้เวลานานอันนี้เพียงถึงขึ้นมาใกล้ใกนะแล้วก็เราได้ช่วยโรงพยาบาลจังหวัดน้องบัวลําพูอันนั้นกับ เ, เครื่องช่วยหายใจอันนั้นก็ประมาณห้ 0,000 และกัเครื่องทําความสะอาดเครื่องมือสองแสนห้าอันนี้นก็ในกลุ่มเดียวกันนเร็วๆนี่นแหละ ในช่วงที่ออกพรรษามานี่เพราน่นการที่หลวงพ่อได้พูดให้ศรัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานฟังกับเพื่อได้เรียนรู้ว่าพระป่าวัดป่าครูบาอาจารย์ได้เจตุปัจจัยมาแล้วทำอะไรบ้างบางทีก็เป็นทุกข์เป็นร้อนกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์อีกต่างหากว่ากลัวท่านจะใช้เงินไม่เป็นแต่ตามไม่จริง อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายองค์หลวงตาหรือหลวงตาเนี่ยพาดำเนินมาอย่างไรพวกเราในฐานะศิษยานุศิ์ก็พยายามเดินตามแนวแถวหลวงตาเมื่อโลกสงเคราะห์วัดวาศาสนาได้วัดวาศาสนาเมื่อมีจตุปัจจัยขึ้นมาจากพี่น้องประชาชนก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน อย่างองค์หลวงตาพาดำเนินแต่หลวงตาท่านมีบารมีใหญ่อย่างที่ท่านประกาศช่วยประเทศชาติหาทองคำเข้าคลังหลวงได้ทั้งสิบสามตันแต่บางคนก็คิดปรามาดขึ้นมาอ้ยก็ใช่เลยสิก็ไปเอาเงินคนอื่นมาเพื่อช่วยสงเคราะห์ประเทศชาติเอาเงินของคนอื่น แต่ใช่เอาเงินของคนอื่นถ้าคนไม่มีบารมีนะคนไม่มีบารมีไม่มีบุญวาสนาเนี่ยเอาเธออย่างพวกเราท่านทัน้งหลายไปประกาศด้วยสอผมจะหาเงินเข้าคลังหลวงนะใครจะให้แล้วทินนี่ยเผลอเผลอเขาดา่าตะอคอกอีกต่างหากเพราเหตุไหรเพราะตัวเองไม่มีบารมีเนยะ ลงตานี่มีบารมีนะพูดเข้าไปคนเชื่อถือเนะนี่ยนี่แหละความเชื่อถือจุดนั้นแหละจุดที่ว่าเชื่อถือนะ่จุดนั้นแหละน่าเคารพสักการะบูชาพอให้ญ่พอพูดออกไปแล้วมีคนเอาทองคำมาให้และก็มอบให้กับคังหลวงเป็นสมบัติของแผ่นดินตั้งสิบสามตันกว่านะจุดนี้แหละที่พวกเรายอมรับ แต่ไปเอาปัจจัยของคนอื่นก็ไม่ว่ากันเรามีไหมพวกเรามีความสามารถถึงขนาดนั้นไหมในเมื่อไม่มีความสามารถขนาดนั้นต้องหุบปากไว้อย่าไปวิจารณ์อย่าไปคิดพอพูดไปมันเป็นบาปนะสิ่งเรานี้ทั้งหลายทั้งปวงพวกเราคณะสัตายญาญาิโยมลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลูงพ่อนี่นะมีอะไรให้ฟังให้ฟังไว้ดีกว่า ถ้าเราไปพูดมากเรีอกว่าไปวิจารณ์ออกไปบางทีมันจะเป็นบาป อ, อกุศลเข้ามาสู่จิตใจของเราอีกต่างหากถ้าเราพูดถูกก็ไม่ว่ากันถ้าพูดถูกมั่นใจพูดถูกนะถ้าเขาทําผิดอย่างโจทย์พระวิทย์ใอย่างนี้เออเอาถ้าท่านทําผิดนถ้าเราไม่พูดจะแล้วมันเสียหายส่วนรวมส่วนกลางอันน้เราก็ต้องทวงติงขึ้นมาเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมแต่ถ้าว่าเรา มัวเมียเห็นแต่เขาพูดก็พูดไปตามเขาอันนั้นต้องระวังนะเพราะนั้นต้องการแนวแถวความคิดตัวนี้หน่อยสำคัญในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านตํำหนิเรื่องว่าไม่ท่านไม่ได้ตํำหนิเราท่านแค่บอกพระสงฆ์พระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ตำหนิพระเทวทัตเน่ยเอ้พระเทวทัตเน่ยทั้งที่บวชมาในพุทธศาสนาทั้งที่บวชกับพระพุทธเจ้าแต่ทำไมจึงไปดูถูกโลกไปทำอย่างนี้ขึ้นมาไม่น่าจะถูกต้องไม่ถูกต้องนะพูดง่ายๆแต่นี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมากระถามาพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรนะพระสงฆ์เหล่านั้นก็กราบทูล ถามว่าพระเทวทัตนทำอะไรไม่ถูกต้องคล้ายๆกับว่ายกประเด็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะทําร้ายทําลายคือที่แรกก็ขอเข้าไปปกครองสงบอกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์อายุแก่แล้วสมควรจะหยุดในการดูแลพระสงฆ์มอบให้สงให้ข้าพเจ้าจะข้าพเจ้าจะเป็นผู้ดูแลสงต่อ พระพุทธองค์บอกว่าเ อ, อ้ยเทวทนะัตเธอเน่ยมันไม่ใช่นั่นนะ่ะความหาความเชื่อถือไม่ได้เราจะมอบสง่งให้กับท่านได้ยังไงท่านเหมือนกับเฉลต์ที่ขาดคลายออกจากปากเท่านั้นเองเหมือนเป็นเฉลต์เท่า น, นั้นเองนะเทวาทัตก็โกรธพระพุทธเจ้าอย่างมากจากนั้นกับเมื่อขอปกครองสง่งไม่ได้ก็เข้าไปกราบทูลอีกออบอกว่านี่ ออขอพระรงคทรงบัญญัติผู้ที่อยู่ป่าก็ให้อยู่ปา่าแล้วก็ไม่ควรจะฉันเนื้อฉันปลาฉันสันอาหารเป็นฉันเนื้อฉันปลาก็ขาดเมตตาเนี่ยพราะพุทธเจ้าก็บอกท่านก็ตรัสว่าเนื้อปลาเนี่ยเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ยินเราไม่ได้สงสัยเขากินอยู่แล้วเขาทานอยู่แล้ว ชีวิตของนักพจนักปวดเราควรทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายเขามีอะไรก็เขาถวายมาแล้วก็ฉันเราไม่ได้ไปบอกไปขอร้องเขามีอะไรเข้ามาปรากฏทานไปตามที่เขามีมาเทวราชก็บอกว่าเนี่ยแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปากว่าตาขยิบ เ, ออเข้าๆไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่อตัวเองก็กินเนื้อสัตว์เนม แปลว่าไ ม, ไม่ไม่มีความัจริงเอาใข่เห็นด้วยกับข้านี่แหละเทวทัตก็เลยมีสมัครพรรคพวกเข้าไปเคนเห็นเนีใช่เทวทัตนี่ยพูดถูกไว้เห็นด้วยเนยก็ไปเป็นเทวเป็นหมู่เทวทัตต่างกูต่า ง, งเยอะแยะไปเหมือนกันนะเออโผล่ในสู่กันนะพอแผ่นดินสูบเทวทัตเท่านั้นแหละเท่เนี้่ อ, อพวกนั้นก็เลยกระเซ็นกระไยกระจุยกระจายเท่เนี่ยพูดอะไรไม่ออกเท่เนี่ย พรว่ามันพลแผนดินสูบเทวทัตผู้จากนั้นพระสงฆ์ก็เลยสนทนากันเออเทวทัตเนี่นทําไม่ถูกพระพุทธองค์บอกว่าเทวทัตเนี่ยไม่มิไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้นะอชาติที่แล้วๆมากระจิบหายในเรื่องเหล่านี้แหละอ่มันไม่ได้คิดมองไกลไม่ได้วางอนาคตของตนเองพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าข่ะ องค์บอกว่าสมัยหนึ่งเทวทัตเกิดในตระกูลเป็นช่างไม้เราก็เกิดในเป็นช่างไม้เหมือนกันอพอจากนั้นมาพกโดยมากช่างไม้ทั้งหลายแหล เ, เวลาไปทาสร้างบ้านหรือไปสร้างตึกรับโต๊ะเตียงเก้าอี้อะไรของเขาก็ตามรับรับหมดเอาเงินเขามาใช้ก่อนอไม่ใช่แต่ยุคนี้นะ ในชุกยุคสมัยนั้นก็ ฟ, ฟังฟังดูแล้วก็เหมือนช่างไม้ทุกวันนี้เหมือนกันนะถ้าใครเอาเงินมาให้เอาเลยรับแต่เขามาทวงท่านนี่คนนั่นก็มาทวงคนนี้ก็มาทวงทวงเอาไปสร้างบ้านาแต่เงินขอขอเอาไปกินก่อนหมดแล้วผลที่สุดก็นนะีพวกช่างไม้ทั้งหลายหาความสุขไม่ได้เลยเพราะเขามาทวงกลุ่มช่างไม่นะี่มันเป็นกลุ่มนะกลุ่มช่างไม้ โอ้หไม่ได้นะเท่าถ้าเราขืนอยู่นี่นะเลอเราต้องถูกประชาทันแน่พราะเราทำงานให้เขาไม่ทันนะเราควรจะหนีวะนะพวกพ่อค้าพวกนายช่างทั้งหลายอะไรก็เลยไปตัดไม้ในป่ามาทำเรือเลยพอทำเรือต่อเรือเสร็จแล้วก็ไปต่อไปจอดไว้ห่างๆเป็นครึ่งกิโลนะ เป็นเครื่องโยดคือประมาณสามสี่ร้อยเส้นเยมองไม่เห็นจากนั้นก็เอาลูกน้องบริวารของตัวเองเนี่ยเอาคนลงไปนะพอลงไปในเรือเสร็จแล้วก็เรือขนานไปสองันกลางใบขึ้นก็ไปไม่มีจุดหมายปลายทางนะไปไปถึงเกาะหนึ่งไปเกาะน้ำไปถึงเกาะนั้นเป็นเกาะที่สมบูรณ์ มีข้าวน้ามีพวกเข้าโพดเข้าวฟ่างาผลละหมากลากไม้ขนนุนมะพร้าวไรครบในในเกาะ น, นั้นนะแต่ได้เลขึ้นไปพอขึ้นไปก็ไปเห็นโอ้สมบูรณ์ก็เลยไปอยู่ด้วยกันแต่พ่อค้าสองคนพ่อค้าคนหนึ่งเป็นคนมีศีลมีธรรมแต่พ่อค้าคนหนึ่ง่ะเออพวกเรามาห่างไกลจากบ้านเมืองเราควรจะทํา อ้อยทำเป็นเบียร์กินเถอะวะนั่นน่นะคนชั่วไปที่ไหนมันก็ชั่วอย่างเก่านะลูกหลานนะกณน่าัทายญาติโยมจากนั้นพอไปอยู่ในเกาะเนี่ยแหละแต่ว่ามีคนคนหนึ่งเขาไปอยู่เกาะ น, นั่นก่อนแล้วคือแพมันแตกเรือมันแตกเขาไปอยู่เกาะนนไปอยู่เกาะ น, นั่นก่อนเขาก็อยู่ตามลำพังไม่มีเสื้อผ้าเลยพวกนี้เคยเคนไปเคยเอออันนี้เป็น เป็นยักษ์หรือเป็นอะไรเลยกำลังจะฆ่ามันอีกมาเนี่ยเอ้อันนั้นก็ยกมือไหวโอ้ยผมเป็นมนุษย์ไอทํำไมตแต่แกไม่มีเสื้อผ้าโอ้เปลือยแผลมันแตกมันก็ไม่มีเสืออเอเส้อผ้านุ่งแล้วก็อยู่ตามตามลําพังตามอย่างนี้แหละแล้วก็ถามแต่แกว่าแต่แกมาอยู่ที่นี่นะมีอะไรเกาะที่จะเป็นพิษภัยไอ้คนเกาะชาวเกาะคนนั้นแหละเขาก็บอกว่าเกาะนี้มีมีเทพ มีเทพเจ้านะมีเทวดาต่อเขาต้องการความสะอาดใครเวลาเวลาไปอุจจาระปัดสะวนะให้กบให้ถมอย่าไปถ่ายอุจจระปัดสะวะถ้ า, ถา ม, มีอุจจาระปัดสวนั่นนะไม่ได้เขาไม่ชอบเล ย, ยเทยวดาในเกาะ น, นี้เขาจเขาสะอาดเพราะนั้นมีอันเดียวเท่านั้นะที่ต้องระมัดระวังอย่างอื่นไม่มีอยูแบบ่แบบสบายๆอาหารการบริโภคสมบูรณ์ อไอ้เด็กนายชายเกาะคนนั้นะที่ไม่มีเสื้อผ้าคนนั้นะเขาพูดให้ฟังจากนั้นพวกนี้ก็ ข, ขึ้นไปอยู่ไปอยู่กันัเนี่ะไปทํากินเหล้ากันเลนเนยไปทําเหล้าขึ้นมาทําเหล้าสาเกเหล้าสาโทเนียเอยพอ ก, กินขึ้นมาคนกินเหล้าจะมันขาดจิติใช่ไหมมันเมาลเลยจะเอยจำมาเลเทมอลร้องพงร้องเพลงจำนั้นกัขี้แตกเกี้ยวลาดอผลที่สุดเทวดารักษาเกาะอื มนุษย์เหล่านี้เนะี่ยทำให้เกาะศกกรปลกพวกเราควรจะกําจัดไปนะนะอพอไปชุมเทวดาไปชุมกันว่าจะกําจัดมนุษย์นะแต่เทวดาคนหนึ่งเป็นบัณฑิตเนะี่ยบัณฑิตโอ้ท่าวา่าเทวดาทั้งหลายจะเอาน้ำขึ้นมาท่วมเกาะนี่เรามองเราเห็นแล้วเนาะมันขาดเมตตานะเราควรจะไปบอกเขานะ เทวดาคนหนึ่งคิดขึ้นมาเขาก็เลยไปยืนอยู่ทางทิดอุดอนเวลากลางคืนแสงสว่างบอกว่าพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะนี้เนะ่เทวดาในเกาะเขาไม่พอใจนะพอพวกเธอท่านทั้งหลายทำความศกปลกให้เกาะของเขาเวันนั้นเขาคอรอคออยู่เนี่ยอันนี้สิบ้าขึ้นสิบ่้าาหน้าเนะี่ย จากนี้ไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเมื่อพระพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงแล้วนะ่ะน้ําจะท่วมเกาะนะให้พวกท่านจะหนีไปที่ไหนกันหนีนะให้เตรียมเตรียมตัวไว้นะอ่าอันนี้เทวดาเขากโกรธนะอ่อันนี้เราเจตนาดีมาบอกพวกท่านนะพอท่านก็หายปับต่อมามีเทวดาคนหนึ่งขึ้นมาเองมายืนอยู่ทางทิศทักษิณนะบอกว่าเอ้ย พวกท่านทั้งหลายมีเทวดามาบอกใช่ไหมว่าน้ําจะท่วมเกาะใช่เอ้ยอย่าไปเชื่อเทวดาคนนี้เป็นมิจฉาทิถีนะจะฆ่าคนเหมือนกันพวกนี้มันชั่วฆ่ามันทั้งหมดจะไปเก็บไว้ทําไมคนชั่วเทวดาคนนี้คิดอีกแบบหนึ่งบอกว่านี่นะพวกท่านไม่ต้องหนีหรอกใครว่าน้าน้ําท่วมเกาะไม่มีหรอกอมันน้ํำมันไม่ท่วมเกาะหรอกพวกท่านอยู่ยสบายอยู่สบาย อยย่ไปเลยอยุถ้าความผาสุกไม่มีอะไรหรอกมันมีที่ไหนน้ำท่วมเกาะนะพอว่าดนั้นเทวดานี่ยก็หายปั๊บไปอีกต่นี้คนสองคนสองกลุ่มหัวหน้าสองหัวหน้าก็มาคิดกันเลยท เ, เทวดาสองกลุ่มเนี่ยใครพูดถูกพพูดผิดว่าดนะที่หัวหน้าเป็นนักปราชญ์เลยก็ถึงยังไงเราควรจะไปเตรียม เตรียมเรือของเราเอาไว้เพื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าน้ามันท่วมเราก็ไปถ้าน้าไม่ท่วมเราก็อยู่แต่หัวหน้าที่เป็นพานที่หัวหน้าชอบกินเหล้าชอบติดในรถอาหารเนี่ยเฮ้ยพวกนั้นมันคิดยำแย่น้ําจะท่วมเกาะที่ไหนเนี่ยเทโอดาเขาบอกแล้วจจ๊งจะไปท่วมได้ยังไงน้าทะเลจะไปหาท่วมเกาะได้ยังไง คนที่สูงก็เลยหัวหน้าสวงหัวหน้าแะไรไม่ลงลอยกันแยกพวกกันแต่คนหนึ่งเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะไปเตรียมเรื อ, อไว้ถ้ามันท่วมขึ้นมาแล้วก็หนีถ้ามันไม่ท่วมแล้วก็อยู่นะีอันนี้แหละพยายามฟังเอาไว้เนี่ยปราดเขาต้องวางแผนอนาคตหนึ่งสองแผนหนึ่งแผนสองนะแต่พาและชนไม่ได้วางแผนนะมีแต่โว้ย ไปหาใจน้อยได้ยังไงไปหาเชื่อได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกผลอนิสุกก็เลยพอถึงสิบห้าค่ำเท่านั้นน้าก็ขึ้นมาจริงจริงพอน้ําขึ้นมาพวกเจ้าของเรือที่วางแผล น, นี่กันปล่อยเรือสะเพาของตัวเองกลางใบขึ้นมาเลยหนีเลยไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยพ่อนิสุก็เลยน้ําก็เลยท่วมเกาะล้างเกาะท่วมถึงยอดตะ ตาเนี่ยผลที่สุกเป็นอาหารของอปลาทั้งหมดเลยนะมนุษย์นี่แหละพระพุทธองค์บอกว่าการที่เกิดมาในโลกนี้เราจะไปไม่มีการวางแผนชีวิตของตัวเองเเลยเนี่ยมันไม่ถูกมันต้องวางแผนชีวิตของเราไม่มีใครที่จะรับชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเราเพราะนั้นให้วางแผน เ, เราจะทำยังไง ชีวิตประจำวันในอนาคตของเราเรามีทรัพย์สมบัติที่จะเป็นเครื่องอุ่นใจอะไอย่างเท่ากัการสะแสวงหาทรัพย์ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเบียดบงังไปป้นไปฆ่าไปคดไปโกงไปเบียดไปบงังเอาคนอื่นอันนั้นเป็นว่าภาละชนเหมือนกันแต่ถ้าหาด้วยความบริสุทธิ์แต่เรารู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้รู้จักวางแผนอนาคตของตนเองนั่นแหละคือปาฏ พระท่านขอให้พวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะในชาตินั้นเราได้แลที่เป็นหัวหน้าพาลูกน้องบริวารห น, นีออกจากเกาะนั้นด้วยความปลอดภัยส่วนเทวทัตเนะ่ตายในเกาะเพราะแล้วพราะติดในรถอาหารติดในราบสักการะไม่ได้คิดวางแผนที่จะเอาตัวรอดนี่แหละ ไม่ว่ายุคใดสมัยใดนิทานและวิาชาดกเนี่ยเป็นกระจกเงาสําหรับให้พวกเราได้คิดถ้าพวกเราอยู่ในชุมชนกลุ่มไรก็ตามอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองในยุคใดก็ตามแต่พวกเราชราใจพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดดูในอนาคตของตนเองโดยมากพวกเราจะได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์ยากลําบากเมื่อปลายมือแต่พวกเรา ได้คิดวางแผนตัวเองเอาไว้แล้วนะด้วยความประหยัดมัธยัสถ์หรือด้วยความอรอบขอบชีวิตของพวกเราก็ไปด้วยความไ ป, ไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ลาบากเนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะชีวิตของพวกเราทั้งชีวิตเนี่ยถึงพวกเราจะวางแผนดีขนาดไหนก็เถอะนะต้องถึงจุดจบอันนี้จุดนี้นะจุดนี้เลยสาคัญ ถึงจะวางแหวงแผนดีขนาดไหนก็เถอะต้องถึงจุดจบแต่มันไม่ใช่จบแต่เพียงแค่้มันจบแต่ร่างกายน่ยร่างกายเนี่ยตายแตกสลายหลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่แต่นามธรรมคือจิตใจแต่นั้นออกจากร่างเน่ยตัวนั้นนะพระพุทธเจ้าได้ออไปพิสูจแลได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านยืนยันแล้วว่าตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดคือร่างกายของเราเนี่ยตายแน่ แต่ว่าจิตใจคือนมามธรรมจุดนั้นน่ะเมื่อมันออกไปแล้วนะ่ะมันจะไม่ตายมันจะไปเปิดปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ช้างมา้าโวควายเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีแต่ถ้าว่าพวกเราประกอบคุณงามความดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นผู้มีบุญพูดง่ายเป็นผู้มีบุญมีกุศลคิดดีทำดีพูดดี เมื่อออกจากร่างนี้แล้วนั่นะเราก็จะได้ไปสู่อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ล้วไปเลือกเกิดได้อกต่างหากไปเกิดในตระกูลไหนไปเกิดเลือกเกิดได้จะได้ไปเป็นเทวดาอินพรหมไปได้หรือทาเราชำระกิเลสได้ก็เป็นพระอริยบุคคลโสดาสกทาคาอนาคาอรหาหันได้ดวงวิญญาณที่นีอเลือกได้ไปได้ ถ้าเรามีบุญนี่แหละท่านยังว่าคุณแม่ชีแก้วท่านยังบอกว่าโลกนี้โลกหาได้โลกนด้โลกเราจะหาอะไรมาใส่ตัวเองหาดีหรือหาชั่วหาบาปหรือหาบุญอถ้าหาความชั่วก็หาได้ไม่ยากถ้าหาความดีกอหายากหน่อยแต่ก็เป็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้นโลกได้โลกหาได้เราจะเอาความดีหรือความชั่วมาใส่ตัวเอง ควรจะหาความดีคิดดีทดําดีพูดดีจะดีกว่านะไอ้เรื่องความชั่วมันมันหาได้ง่ายคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะมันมันมันง่ายมันไหลไปทางต่ำํำเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักครบนับถือเลื่อมใสหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์ มันยืนยันเลยว่าตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะตายแล้วเกิดไอ้สิ่งที่ทําให้เกิดนั่นก็คือใจคือมโนคือผู้รู้ตัวนึกคิดนั่นแหะอแต่มันไม่ใช่สมองนะสมองเนี่ยเป็นเครื่องมือเฉยๆเป็นเครื่องมือใช้ของใจไอ้คนที่มาใช้สมองน่ยคือตัวหนึ่งเหมือนกับสมองเนี่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มันมาตั้งอยู่ที่หัวของเราเนี่ย อแต่คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นี่อีกคนนึงที่มากดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้นะ่ะนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะอ่มันคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นี่คือตัวนึงคนนึ่ ง, นนงตัวนั้นแหะคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นั่นแหละจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆออกจากร่างนี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศึกษาเอพวกเราอยากจะรู้วิธีการการศึกษาในปฏิปทาและแนวปฏิ แนวปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนบอกกล่าวให้นั่งสมาธนะิในเมื่อทั้งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนะจิตใจลงเป็นหนึ่งแล้วนะกายกับใจใจกับกายที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังรถกับคนขับรถนะใจเหมือนกับคนขับรถร่างกายของรอนเหมือนกับรถนะ พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจเรื่องของโซเฟอร์มากกว่ารถท่านว่ามัโนปุบพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านี่แหละเรื่องใจนี่แหละสคัญถ้าใจของเราเป็นนักเลงเป็นคนไม่ดีใจของเราโมโหโกธาเมื่อขับรถคันนี้เลยเหยียบคันเร่งหันพวงมาลัย ชนใครก็ได้เหยียบลงข้างถนนก็ได้ชนต้นไม้ก็ได้พอเราโมโหใช่ไหมล่ะโซเฟอร์โมโหนะโซเฟอร์กินเหล้านะโซเฟอร์ไม่ดีแต่โซเฟอร์ได้รับการอบรมดีแล้วมีมารยาทเป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจะขับรถคันนี้ไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นไปในสถานที่ใดมีแต่ ใจเขาใจเรามีแต่กว่าความสงบพร่มเย็นเป็นสุขพราะนั้นท่านจึงให้ความสําคัญเรื่องของใจในหลักธรรมในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาดั้นวันนี้พวกเราคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานมาสู่วัดว า, าศาสนาหลวงพ่อยได้พูดแนวความคิดมากหลากหลายให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเรียนรู้ประการศึกษาในหลักธรรมคําสอน ของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะนำไปคิดพิจารณาดูอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนถูกอันไหนผิดเราต้องใช้ปัญญากันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลตอนนี่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร